จมูกก็ได้กลิ่นทำให้หลงตรงนี้ลิ้นก็ได้รสทำให้หลงตรงนี้กายก็สัมผัสทำให้หลงตรงนี้ใจก็คิดนี่ยทำให้หลงตรงนี้เราก็มาลูกเหมือนตรงนี้มันก็ลูกตรงนี้ลูกตรงนี้จนแบกนี้ชานาญเอาเป็นความรูป้ประสบการณ์บทเรียนได้ทั้งหมดแหลยจึงมาดูตัวเองมาดูด้วยกันโดยรูปแบบกบรรมหารคือการกะทาก็มีเยอะเยอะเอากายราวางประกอบ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 ด้วยรถยนต์ด้วยถนนล้วเหยียบทางในไวให้เป็นรอยรอยอะไรรอยรูทางรอยรูมันอยู่ตรงรอยหลงเหมือนป่าเหมือนถนนถนน ท, น ท, นทางมันก็มีรอยเปมันจึงเป็นทางสติเหมือนเหมยใบมีดแท็กเตอร์ของรถมันผ่านไปรอยแท็กเตอร์ใยมีดของรถก็กลายเป็นทางเหมือนกับสติให้เปนไปแต่รูตรงไหนก็มีรอยแห่งความรู้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 เรื่องริงที่ทำได้พุทธเจ้าสอนเราในสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่สอนสิ่งที่ทำไม่ได้เราหลงเราก็ลู่ได้ไม่มีอุปกรณ์อันที่หนึ่งที่สองมาช่วยมันง่ายง่อะอันตัวลู่ซื่อๆมันง่ายเบาถ้าเอาก็ดับเราจะมาศึกษาเรื่องนี้กันควรที่จะประกาศหน้าประกาศจริงๆเอ้าไปหลงเอาไปทุก